เท่านั้นจิตใจไม่หวั่นวันแก่เลยสบายใจพอจะรู้แล้วว่จะแก่ป่วยเลยสบายใจจะรู้แล้วว่าใจจะป่วยตายเลยดีตายซะได้ดีฉนไมได้หมดอะไรตัวฉันต้องไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่เจหายไม่เป็นอันรายไม่ปวยไข้ไม่ปวยอย่างนี้นอนนิพพานสบายอะไรสำหรับ หน้านี้เดเล่าถึงอาการตายในวาระที่2อให้ฟังพะตายแล้วได้เห็นนรกแต่ความจริงนรกนี่ฉันไม่เห็นตั้อนนี้แต่มันเห็นไม่จริงกันนะจ๊ะเห็นพบแต่เวลาเจอเห็นเนี่ยมันต้องตายได้เห็ก็ไม่ชัดไม่ถนัดนักแต่ดูไปไกลตัวต้องทำให้จิตใจของฉันนี้โผล่พันแหนการอย่างนี้ว่าความตายมีจริงนรกมีจริงแต่สวรรค์ไม่เห็นดิฉันนี้ก็พยายามถามใครตัอใคร พระเจ้าอะไรฉันถามถามพระว่าบทเป็นพระนี่นะเทศเอาเอาเอาเอาเอาฉันถามเขาเคยห็นเจ้าวันไม่เคยในโกมั้ย้าเาไหนบอกไม่เห็นฉันไม่จบอกโ้ไม่ได้ดแต่บอกเขาไอ้ตัวเองไม่ไม่ทำไม่เห็นไอ้ที่ถาแกเรียนกับเขา่เทวใหญ่ะทีใกาับยาในสอบพาเข้าวัดสอบพาแคไปคุยกับพระ พอฉันไปคุยเขาในเรื่อเกี่ยวกหน้าฉันทุกคนพอฉันจะไปเกณฑ์ให้ท่านเห็นเทวันนี้นรกน่อท่านพูดถึงฉันก็ถามก่อนถามเทวีจริงไหมนรกมีจริงไหมพระจะอธิบายเป็นข้องเป็นแคลงเลยัดงัดจำพีจำพีนั้นไหวอย่างนั้นจำพีี้ก็อย่าฟังฟังฟังของเราฉันก็เอาสุดถามว่าท่านได้ไหมเวนรกถ้าหลบไปไม่ได้ถามว่าเป็นพระทไมไม่ได้ เขาอกว่าเขาไม่ได้เกณฑ์ น, นสาสายใด น, นี่ตอนนฉันไม่ตัดสินปัญหว่าพวกนี้หลอกลวงที่ถาเพราะฉันอยาจะเรียนฉันาจะาปไปในบางันคิดในใจว่านี่ฉันเป็นคนธรรมดาๆฉันตายแล้วฉันยัย่องยไปในโลกก้านีตอนน้นสวรรค์เขาทำไมไม่ได้ะดับต่อไปาวถึงวิีการดำเนิเนแี ให้ท่านหลายได้ทราบต่อไปหลังจากที่ได้ป่วยแล้วก็ได้ฟื้นขึ้มาจนท่านใด้เล่าประวัติความเป็นมาในระหว่างนั้นให้มนดาท่านผู้ฟังท่านหลายทราบแล้วต่อจา น, นี้ไปทีงได้เล่าโกงกรรมบางบรายการที่ธข้มาบิบวังคับองคสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าได้ทรงกล่าวว่า บรรดาคนไรจัตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่องตกอยู่อำนาจของกรรมอันนี้เป็นความจริงเพราะทั้งที่พระเจ้าท่านเองได้ตั้งอยู่ในกฎอันหนึ่งกล่าวคือปตัตสนัยจะมีความรู้เรืสวรรค์นเรื่องนรกและเรื่องนิพพานการที่เคยได้เห็นมันแล้วแต่การตายในวาระที่สอง ความจริงคนที่เห็นสภาวะของนรกจะรู้ถึงเรื่องสวรรค์เป็นข่าวก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้า ส, รสวรรค์ น, นันเป็นเรื่องของข่าวเพราะว่ายงจะได้ทราบจากคนสีคนที่เมานำบุคคลทังหลายที่ตายไปแล้วไปส่งในมืนองนรกแต่คนที่ภาวนาว่าพุทโธ ร, ระหัสนั้น จะเข้าไปในดินแดงของเมืองนรกไม่ได้เป็นภาวะของสวรรค์หรือส่วนมรรคที่เขาผ่านถ้ามีบารมีสูงสุดแ <c oughs> ม้ว่ารู้อย่างนั้นแต่ก็พยายามหาคือบาจานันพยายามถามพระท่างหลายที่สังเกตและทั้งอธิบายความต่างๆในธรรมะเวลาสายที่ไปกับท่านยายและคุณแม่เข้าไปในโบวัด ต, ต่างๆ แล้วก็ถามพระทั้งหลายเป็นเหตุให้พระทั้งเกิดเพราะว่าไปถามเรนว่าวิญนนามีไหมสวรรค์มีไหมตุ้มโลกมีไหมเนรุมีไหมท่านก็ตอบว่ามีแบางท่านอธิบายเป็นคุ้มเป็นลร์อธิบายถึงนรุษขุมบ ร, รุบริวารอีกตั้งรอ้อขุมกว่า<ม>แา้ยมโลกนรอีกอธิบายได้ทุกอย่าง แต่ท่านถามก็จริงๆว่าท่านเห็นหไม่นรกสวรรค์ท่านไปได้ไหมท่านก็บอกว่าไปไม่ได้เมื่อบอกว่าไปไม่ได้อย่างนี้ฉันก็ไม่ชอบใจไอความไม่ชอบใจของฉันนี่แหละมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งหมายความว่าเข้ามาบีบคันทําให้พระทั้งหลายเหล่านั้นมีความไม่สบายใจก็เกิดความเกลียดชังเกิความจริงที่ทำฉันทำอย่างนั้นไม่จะถึงเป็นไล่พระให้จน มันมีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการจะไปเที่ยวสวนนรกได้โดยตนเองตามที่ท่านแม่และท่านยายท่านย่าเคยบอกไว้ว่าพระบางองค์ซึ่งหลวงพ่อปานวัดบา โ, โคเป็นตนท่านไปเที่ยวได้ในสมัยนั้นก็มีพระหลายท่านเดียกันที่มีทรงคุณวุฒิอย่างนี้แต่ฉันก็ไม่มีโอกาสไพบท่านโดยเฉพาะ เมื่อเวลานั้นได้มีความเกี่ยวข้องอยู่กับพนักงานใหญ่อันหนึ่งคือวังกุมาระกำแพงเุชรที่นาเดินสองท่านเป็นนายทาหารคนเน็นสองท่านก็ไม่มีโอกาสได้พบท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ท่านได้พบระทั้งหลายที่เป็นพระครูบ้างจะคุณบ้างในายกงเพชรท่านก็ตอบได้แต่ว่าท่านฝไ่ไม่ได้เป็นหตให้จิตใจของฉันดูถูกละ ขอบพระนีดีแต่พูดไม่ทําอะไรเจียงจิตใจของฉันในลานนั้นฉันไม่ชอบพระประเสิฐนี้ไม่ชอบคนทำอะไรได้แต่เพียเพียงเพียงที่ปากไม่ความมีความสามารถแค่สีปากอย่างนี้ฉันไม่ชอบคุยทุกอย่างว่าอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นเพียงนี้ก็รู้อย่างนั้นก็มีอย่างนี้ก็มีเป็นนักปากญ์แต่นักปากแค่ริมที่ปาก ฉันหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระที่บวชเข้ามาอาศัยเข่าโลกจริงๆ เ, เป็นตัวทวงความเจริญไม่สร้างคุณธรรมที่ควรจะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงที่ก่อนแล้วมาสอนคนให้ตัวเองทำไม่ได้แล้วยังสอนชาวบ้านอย่างนี้ฉันไม่ชอบมีเป็นจิตใจของฉันในเวลานั้น โดยความจริงความคิดในตอนนั้นมันก็ไม่ควรจะผิดนักแต่เรมาพูดถึงตอนนี้ในเวลาที่ฉันบวชพระกฎของพระที่เขาบวชมาในในพระพุทธศาสนานั้นองค์สุนิตจะสัมาสามังพุทธเจ้าทรงบังคับ่าต้องปฏิบัติกฎสมประการให้เครื่องทัดแล้วก็ทำให้ได้ดีทุกอย่างกฎสามประการนันคือหนึ่งอภิสินสิกา ในการศึกษาก็คือปฏิบัติในศีลยิ่งกวา่าชาวบ้านธรรมนาอธิตะว่ายิง่งไม่ใช่ปฏิบัติแบบเฉยๆต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะไม่ยอมและเมื่อศีลโดยความไม่จำเป็นในกรณีใดๆหมายความว่าต้องรักษาศีลอย่งกว่าชีวิตยอมศีลขาดดีกว่ายอมตัวตายดีกว่าศีลขาด เอจะทำยังไงก็ตามจะไม่ยอมไม่สิดถือว่าชีวิตนี้มีความหมายละชีวเดียวถ้าส่งสินไม่ได้ถ้าเราตายจากอาตาภาสีแล้วเราอาจจะไปเกิดบนสวรรค์ที่ดีกว่ามนุษย์เกิดในตุลมะโลกดีกว่าความเป็นอยู่ในมนุษย์เกิดในพระนิพพานดีกว่าการเกิดในสถานที่ทั้งหลายเราสิ้เรื่ภาพพื้นเบื่องตนที่ให้เกิดทั้งในสวนรรค์มลและนิพพาน อันดับที่สองอธิจิตติขาต้องศึกษาในทางจิตทำจิตให้เข้าถึงฌานจะมาบัดยามน้อยที่สุดตรงได้แต่ถ้าไม่ฌานยาวสูงที่สุดตรงได้จะมาบัดแปดเพื่อได้ทั้งรูปฌานสและอรูปฌานสอันดับที่สมอธิปัญญาจิตขาเป็นเจริญวิปัจนาญาณให้เห็นทุกเป็นเหตุของความทุกข์เข้าถึง มักคือปฏิบัาถึงความดับทุกข์และเข้าถึงอิรธะคือสิ้นไปแห่งกิเลสทัณหามหมายความทำลายทุกข์ให้สิ้นไปจิตไม่ก่อเกี่ยวอยู่ในสภาวะธรรมต่างๆคือสมบัติอันใดที่เป็นของโลกโลกเต็มความว่าหนึ่งพระต้องมีศีลบริสุทธิ์้องมีสมาธิตั้งมันน้ามมีที่ััฒนายาแจ่ไส ตัวการบวชในพระพุทธศาสนาภาษาดีบวชในกล่าวรรดาภาษาพวกทั้งหลายข่าองค์สมเด็จพระพุทธมีเจ้าในสมัยที่จะออกไปเที่ยวจาริกไปอยู่ป่าที่จ ะ, ะพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมการบรรลุมรคนตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบรมศาสดาสมัยพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งพระทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายก่อนจะไป หลเหล่านั้นมาออกจากสำนักของพระพุทธเจ้า ก, ก็เข้าไปลาไปสาลีบทไปสาลีบทถามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าเมื่อเธอไปสู่สถานที่อื่นามีคเขาถามมาเธอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าของเานี้มีความบวชเพื่อประสองค์อะไรพระทั้งหลายเหล่านั้นตอบว่าพระเขาถาอย่างนั้นกผมก็ไม่ทราบจะตอบว่ายังไงดีขอทาปสารีบทบอบอกด้วยเถิด ท่านพระศาดีบุตรก็ชี้แจงว่าถ้ามีใครเขาถามว่าเธอบวชในสนามขสมเด็จสัมมา ส, ส, มสมัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรเธอทั้งหลายจงพากันตอบว่าเราทั้งหลายบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคำว่าความดับไม่มีเชื่อหมายความทำลายกิเลสให้สิ้นไปก็หมายความว่าพระนี่ต้องทงถึงโดยสุดมีจิตตั้งมั่นในโอชาถ้ามีพิพัฒนายานแจ่มใส ท่านไล่กิเลสให้สิ้นไปไม่หวังลาบไม่หวังยศไม่หวังคำสรรเสริญไม่หวังความสุขใดๆ ใ, ในโลกดังนั้นพราที่ท่านท่านท่นไปหาท่านเหล่านั้นทั้งปลายเป็นพระที่มุ่งในลาบคือมีสมบัติมากเป็นนักเทศบังเป็นเจ้าวาดบางเป็นหมอบังเป็นนักคุยบังแต่แต่ละองค์มีสมบัติมาก เล่าหวังในยศฐานมันดาศัก์หวังในฐานะต่างๆเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นสมเด็จเป็นอะไรต่ออะไรของท่านท่านมีความหยิ่งในลาบมีความหยิ่งในยศศักดิ์ของท่านนี่ถ้าประเสรินี้ที่ว่าบทติดเวลาบกดนะกดมาไม่ติด ถามาในสนักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่จิตแต่ว่าทำจิตใจนะตรงในจิตใจต่าเป็นจริงคือสติ่ของพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ไหวบูชา ย, ยากเดินไปแต่เพียงว่าเมื่อท่านปฏิบัติความดีแล้วใขรเขาจะนําเอาลาบยศมาเ ย, ยียดยับให้ท่านท่านเองถ้าไม่เกิดในจิตใจจะรับแต่ว่าจําจะต้องรับเพราะอยู่ในกฎของโลก อย่างนี้คือเห็นใจท่านแต่ว่าท่านหลายเหล่านั้นต้องไม่มัวเมาในลาบในยศที่ท่านถึงได้ไม่พอใจในครรสันเสริญเยินยอแล้วก็ไม่ยินดีในความสุขที่เป็นโลกามิตอย่างนี้คือที่ว่าพระที่น่าไหวน่าบูชา อาแล้วพูดถึงเรื่องพระไอ้จิตใจของฉันในเวลานั้นความจริงฉันก็เกิฑ์พระมากเกินไปทำไมฐานะที่ท่านเป็นปุถุชนพระเป็นบุคคลธรรมดาถ้าบวชเข้ามาแล้ว่ยังไม่เป็นพระนก็จะไปเกณฑ์ให้ท่านเป็นพระไอ้นี่มันก็เป็นกฎ้งตชั่วอย่างหนึ่งที่เกณฑ์คนเกินดีไม่ว่ากันตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าว่าทบวชกันนานๆแล้วทาไมเอาซะบ้งมันก็เหลือขอเหมือนกัน จะมานั่งขอเข้ากินนั่งหวังลาบหวังยดหวังสังเสริหวังความสุขมันก็ติดกฎแห่งบุพติจารณ์เป็นการบวชบวชพ่อปูนสิเลตจะตัญหาไม่ละสิเลตจะตัญหาอย่างนี้ไม่สมควรแต่ถ้าช่างทันเิฟังแล้วก็อย่าถือเอาคำนี้ไปเครยึดถือเพราะคนที่เกิดมานี้มีบารมีไม่เสมอต้น ถ้าคนบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนได้มีโอกาสจะห็จเป็นระโซดาสกิทาคานาคารหันเหมือนกันแล้วเราก็ไม่อาจจะเห็นพะได้มากมายอย่างนี้เพราะว่าในสมัยก่อนท่านอาจจะนิพพานโดยหมดคที่ไม่เหลือเชื่อใส่ถึงมาบัดนี้เนอใส่เพราะบนบารมีคนไม่เสมอกันบางท่านบวชตั้งร้อยชาติพันชาติชาติสนชาติก็ไม่สามารถจะมารู้อรหัตผลได้เพราะบารมีไม่เต็ม เรื่องของบารมีไม่เต็ ม, มก็เพราะสายจิตบกพรองอะไรเรื่องนี้จะขอผ่านไปต่อไปนับจากนั้นมาฉันก็ได้สแสวงหาพรนะผู้ทรงคุณวุฒิแต่ก็หาไม่พบทีนี้ต่อมากลับไปพบกับพระอาจารย์องค์หนึ่งที่วอาจารย์เทศเรื่องที่อยู่ในสำนักของเจ้าหรือในสำนักของอะไรต่ออะไรนั้นฉันจะไม่เล่าให้ฟัง แต่ย้ํขอแย้มาไม่ฟังสมิทธิานับตั้งแต่อายุ16ปีไปจนมาฉันได้ไปฝึกศึกษาการอย่างหนึ่งคืเป็นคนรับใช้ของหมอเป็นหมอก็ต้องการยาอะไรฉันก็ต้องปรุงยาอย่างนั้นให้เรียกว่าเป็นคนปรุงยาในสมัยที่รุงยาอย่างนั้นฉันก็เป็นนักคิดเหมือนกันยาอะไรที่เขาคิดจะไม่ได้ฉันพยายามคิดยาอย่างนี้ เขาทำกันมีคุณภาพแต่นี้ฉันก็อยากจะท ำ, ทำให้มัแสนโนในครั้งครั้งหนึ่งหมอสั่งให้ฉันตวงยาบีคอมเพลตสำหรับอ่สำหรับผิดตำลุงเขาทำกันส่วนหนึ่งตามกฎธรรมดาที่กันเพียงสองสี่สีก่ก็จะรับผลดีเพราะว่าฝ่ายนัะของกรมแพทย์ทหารเหลือโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง กองเภสัชของกมแพทย์านเรือมีการดับแปลงยาอยู่เป็นปกติฉันก็พยายามปรุงให้ยานเนี่ยเข้มข้นขึ้นเพียงี c c เดียวก็ได้รับผลดีแต่ว่าหมอก็เคยใช้ 2cc ซะจริงๆไปใช้ 2cc เข่ากําลังคนไข้ต้านไม่ไหวเกือบจะชกตายไอ้มีกรเป็นการคิดเลยพอดีไปไหมครับแล้วก็คิดอย่ง ก็ยังมียาสำคัญอีกอย่างหนึ่งจะมีราคาถูกๆฉันคิดว่าหมอสมัยนั้นยาคงกำเนิดสมัยนั้นเขาไม่มีหายยาปริยาของโบราณแล้วก็ให้โทษกับบุคคลมากบุคคนผู้ใช้ให้โทษมากเป็นยาร้อนๆที่เรียกว่ายาทำลายมารหัวคนแต่ของฉันไม่อย่างนั้นของฉันหาวิธีตรงยาง่าย ถ้าใ น, น, นสมัยนี้แล้วก็ไอตัวยามนันมีอยู่ในท้องตลาดเตือนโคตรหนึ่งราคาเพียสิบตลึงแล้วฉันก็มาผสมกับน้ำกลัน่นเรือว่าท่านน้ำกลั่นไม่มีก็แค่น้ำฝนที่จะอาดก็ได้โคตหนึ่งนั้นฉันมาผสมน้ำได้3000ัี่น <c oughs> น้ำาม0ันีนี่แหละมัน จะช่วยปัญญาคุมกำเนิดได้ดีโดยไม่ต้องกินเจนแต่เพียงว่าเพียงเดือนหนึ่น้ยานี้ใส่ลงไปในช่องคลอดหญิงทั้งหลแล้วนันก็จะไม่ตั้งครรภ์ น, นี่เป็นาวิธีการสแสวงหาคือคนคิดในการปรุงยาจนหมอทั้งหลายว่ า, าการใช้คนเราไม่ได้ผลจริงก็ได้ทดลองกันมามาก ผมรูสึกก็เป็นที่ยอมรับนับถือว่ายาขนาดนี้ได้ผลจริงแต่เวลานี้ไม่มีใครทำใช่แล้วด้ยว่าหมอสมัยนี้เป็นสมอหมอหวนอกมากฉะ้ยาราคาถูกกไม่เป็นผลแล้วก็ยาขนาดนี้แหละเป็นประโยชน์กั้ฉนฉันใช้เป็นสาธนะารณะจนกทั้งคนทั้งหลายเชื่อมือว่าไม่มีบุคคลใดที่จะตั้งคันได้โดะยาขนาดนี้จังไม่ต้องกิน ไม่จำเปต้องทำอะไรให้มันใช้เพียงเดือนละอย่างมากกว่าปีี่ใส่เข้าไปในวัตถุหรือว่าในวัูถุันมีวิธีใช้เวลาทัน10นาทีเดียวหนาทียาก็จะให้ผลแต่ก็ยาขนาดนี้ก็อย่าขอปิดตำราไว้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วแต่คืนบอกฉันก็ตกนรกบอกไม่ได้ ก็าว่าเป็นการทำลายเด็กในทันแต่ความจริงทั้งทั้งที่เด็กว่าเป็นการป้อง ก, รกรอันก็เถอะบางทีถ้าเด็กเกิดปริศน์ที่มาก่อนผู้ที่เป็นมารดาของเด็กเขาไม่รู้ถ้าไปใช้เขา้าไข่ก็จะฟอจะทำลายไข่จะทำลายเชีย่ยวของเด็กได้ทันทีถ้าอัน ร, รายก็จะไม่มีเกิดหนังของมัดลูกจะได้การได ยา this คิดว่าเป็นอันต ร, รายในส่วนบาปกรรมธรรม ล, ลามกฉันให้ใครไม่ได้ฉันบอกไม่ได้มี่เป็นพิธีการของฉันในสมัยที่เป็นวัยรุ่นมีกรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องบังคับหมายความว่ามันเป็นกรรมที่ไปอากุชลแต่ฉันก็ไปชนหนึ่งเข้าจนได้ในสมัยนั้นมีท่านาอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าอาจารย์เทศแอาจารย์องนาจ่ายของฉัน นายชายของฉังนนี่ท่านเป็นนายทหารแล้วก็เป็นนายตำรวจสองคนด้วยกันนายตำรวจก็มีกี้เสียงในการจับกุมมากเพราะว่าไม่เกรงต่อภัยอันตรายใดๆที่เกีดจากอาวุธเป็นที่อาวุธทุกอย่างไม่สามารถจะทำอันตรายท่านได้ตรงนี้ก็พอาะท่านอาศัยอาจารย์เทพเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการคงขบันจาตรีของท่าน และวิชาอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาเจ้าชู้วิชาเจ้าชู้นี่ท่านมีกระถาเป็นสี่คำบอกไม่ได้เหมือนกันท่านสอนให้สิทธิของท่านสองคนแล้วต่อมาท่านก็ได้มาสอนให้ฉันสำหรับนี้รู้สึกว่าสำคัญมากสา ม, มารถจะบังคับจิตครงเพรตรงกันข้าม ถ้ามีการเริ่มเพิ่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีโลกคนคนนี้จะยืนอยู่ในไกลแสงไกลในสถานแห่ใดก็ตามถ้ามีความปรารถนาเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้ฉันต้องได้รับคําปรามาจากท่านแม่และก็ท่านยายสองท่านในฉันถึงกม้ท่านจะไหลล่นวาจาว่าถ้ามีใครก็ตาม เขามาบอกว่าเขาท้องกับเธอแล้วก็ฉันจะรับทันทีโดยไม่พิจารณาว่าเธอไปทำอะไรเขารึกปล่าเมื่อฉันได้ฟังในนั้นฉันก็ไม่หวาเราก็ดีนั่ืนกันครับคุณแม่กับคุณยายรับภาระผมก็ปลอดภไปไม่ต้องลำบากคือคำนี้เท่านั้นทันยายเราคว้าจากสรรมะได้ก็ไหลตีโต่งนี้เจ้าลิสุดในวาระสุดท้าย การที่เข้ามาอุปสมบทบันใบชาวเวลาใกล้จะจบบทไม่มีใครเ้าคิดว่าฉันจะบทได้นานอย่างนี้ท่านยายกับท่านแม่ได้กล่าวกับฉันในเวลาวันหนึ่งเวลาที่กินข้าวตอนเย็นท่านแม่บอกว่าลูกเอย้ยไหนๆก็เกิดมาในเขตของพระพุทธศาสนายังไงยังไงก็บทให้แม่สักครั้งก็แล้วกันให้แม่ได้เห็นชายผาเห แม่ไม่มากบทออกมาแล้วจากบทออกจากบทฝึกแม่ก็พอใจนี่เความปรารถนาของท่านแม่ท่านพูดด้วยความจริงใจฉันนะั้นมาเป็นคนเหือกอการเป็นนักนักเลงอะไรก็ไม่ได้ดเป็นนักหนะกาหมายความเป็นนักเพลงกินเหล้าเมออยายาฉันไม่เป็นไม่เคยกินเหล้าแต่ว่าวันวาแต่ใครจะมากลมเสียงฉันม เ, ยยนเนมเือนญาติพี่น้องกลมเงกลมเเพื่อน แต่อย่างนี้ฉันอดไม่ได้แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะฉันเป็นนักเลงเป็นเพียงว่าเราป้องกันตัวเท่านั้นตัวกลางกลางกลมเพงเขาบุกคนอื่นเราอยู่ดีๆถ้าใครมากลมเพงก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่น่ายที่สุดีท่า น, นสองไม่ไว้วางใจว่าฉันจะบวชนายแต่เพราะว่าความเป็นคุนเจ้าชู้แค่เหตุกระถ้าสองบทตามที่กล่าวมานั่นเองเป็นเรื่องอยุ่ง ฉันเป็นชายโสดแต่ความจริงมันก็โสดแต่เพียงเวลาที่มีชาวบ้านก็เห็นหน้าขณะใดาที่ชาวบ้านมองไม่เห็นหน้าเวลานั้นไม่โสดนี่เป็นคิดของฉันสำหรับท่านยายไม่พูดอย่างนั้นท่านยายบอกว่าคอยบวชท่านยายสิเก็บมัน ยายพอใจยายขอมากหน่อยโตเลี้ยงมามากกว่าท่านแม่ท่านแม่เลี้ยงเวลาเล็กๆจะบท ต, ตอนโตนับตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมาเป็นภาระของท่านยายทั้งสิน้นที่อยู่ก็ท่านยายที่ฉันเคยถูกปรามารมาอย่างนี้ใจใจของฉันเองฉันไม่คิดวาจะบวชเพรางฉันคิดอยู่เสมอว่าการบวชน ถ, ถ้าจะบวชแล้วก็ต้องบวชอย่างชนิดตี่เ็นนรกเห็นสวรรค์เที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้จริงๆ ถ้าหาว่าเทีย่ยรรที่ย ว, วไม่ได้ฉันไม่บวชการบวชแล้วมีสภาพเหมือนชาวบ้านตอนบวชมีสภาวะเป็นเช่นไรรู้หูตาไม่ดีรู้นรกไม่ได้รู้สวรรค์ไม่ได้รู้ปรมลุกไม่ได้รู้นิพพานไม่ได้รู้ได้แต่ตามหนังสืออย่างนี้มันก็มีสภาวะเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเขเอาหนังสือมาอ่านก็พอแล้วก็รู้เหมือนกัน บางทีเจ้าบ้านบางคนอาจจะรู้ดีขึกว่าอีกถ้มีเวลาคนคว้าเจ้พระที่บวชกมาแล้วก็บวกลายเป็นคนเมามันไม่ได้คนคว้าอะไรแต่จะว่าบวชโนหัวผมพระเหลืองอธิษฐานตนเป็นพระใจจิตใจตนจะเป็นพระหรือไม่เป็นก็ไม่แน่นัก่ถอยงก็คืิเหมือนกันไม่เห็ถูกอย่างนี้ไม่ควเอาไปปฏิบัติ ของไม่ดีนะฟังไว้แล้วก็ฟังทิ้งอย่าจำเอาไปปฏิบัติจำอาไว้เป็นเครื่องหลักเมื่อฉันมีคติอย่างนี้แล้วแต่ก็ฉันก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปสั่งสนทนายกรมพบปัญต์เพราะฉันเป็นเด็กไม่กล้าเข้าไปหาท่านผู้ใหญ่เมื่อเกณฑ์การบวชจะเข้ามาถึงฉันจะขอเล่าให้ฟังสักนิดวันหนึ่ง หลวงพอ่อปานได้ลงไปจากมาจากปัตตานีโคไปที่กรุงเทพหลวงพอ่อปานองค์นี้มีฤทธิ์ศิษ์หา ม, มากใุเทพเจ้านายท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่กรมพระนครสวรรค์ลงมาต น, นั้นกรมพระนครสวรรค์บรพินิษ์เป็นผู้สมเด็จจการแทนพระองค์เมือมีความเคารพนับถือท่านเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่เจ้าฟ้าลงมาทีเดียวใครจะบอกใครจะการกุมากมาที่เป็นลกูกศิษย์ศึกษาท่านไปเดินเลยลงไปในกรุงเทพท่านไปเยี่ยมเยี่ยมเจ้านายทุกทุกโสดหความว่าเจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหนเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมแล้วต่อมาท่านก็ได้มาที่กระทรวงทหารเรือสมัยนั้นทาหารเรือทีเป็นกระทรวงไม่ใช่กรมทหารเรือหรือกองทัพทาหารเรือเดอยียวนี้ เรนนี่เขาเรียกว่ากรมทหารเรือหรือว่ากองทัพเรือทำไมกองเป็นกระทรวงมีเสนาบดีตอนนั้นกรมพระกำแพงเพเป็นเสนาบดีว่าการกระทรวงทหารเรือท่านเข้าไปเวลาเป็นเวลาเที่ยงวันพอเข้าไปถึงแล้วก็ขึ้นไปเยี่ยม ก, ม ร, กรมพระกำแพงเพชรกรมพระกำแพงเพชรก็มีมนทันมาดีห่อไปชม ประกาศบรรดานายทหารฉันสัญญาบัตรทั้งหมดเวลานะั้นฉันก็เป็นสัญญาบัตรเขาหนิดหนิดกาให้เรือเตรีเพราะว่าสมัยโ น, น้นคนที่มีวิชาความรู้ทางเพศก็ดีทางใ่ก็ดีเมอเรียนจบแล้วจะเข้ามาเป็นทหารเลยเขาก็าให้เป็นคนทหารแค่ห6เดือน ก็ไปหัดทรายหันกวาหันแบกปือนั่งยิงนอนยิงอะไรเขาเนี่ยก็รอกเขาแล้วเป็นพลทหารธรรมดาแเดือนก็เป็นพลทหารธรรมดาครบ6เดือนแล้วเขาก็ให้จ่าเอกไอ้จ่าเอกเนี่ยมันเทียบเท่ากับสิบเอกของตำรวจโดยทหารบกแต่าหารเรือทหารอากาศทั้งเขาเรียกจ่าเอกทหารเวลานัเาก็ยังอยู่สิบเอกนักบิน ก็ยเปลี่ยนเป็นจ่าเอกอะไรกันในสมัยเร็วๆนี้เองหลังสงครามโลกครั้งที่สแต่สำหรับทหารเลยเขาเรียกว่าวจ่าเอกถ้าแบบจาาบ่ า, จาทหารบกหรือจ่าสมบัติเขาเรียกคำว่าพันจา่าก็ต้องดำรงตาแหน่งเป็นจ่าเอกรือสิบเอมาอีกหกเดือนเอาเข้าไปปีอยงแล้วเป็นคนทหารแล้วหกเดือนเป็นจ่าเอกหเดือนเป็นหนึ่งปี พอเข้าปีที่สองก็ให้ตำแหน่งพันจ่าเอกแต่พันจ่าเอกนี่ต้องว่ากันใหม่ปีไม่จรงจะเป็นเรือตรีตอนนั้นฉันเป็นเรือตรีเด็กเด็กเป็นเรือตรีหน่อยหน่อยก็ว่าเป็นหมอเล็กๆเป็นหมอรับใช้หมอไม่ใช่หมอแท้ไม่ใช่หมอรัรกษาโรคเป็นหมอปร ง, ง่า ฉันก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเข้าปชมกับเขาพร้อมกับเพื่อนอีก3คนคือว่าเรือตรีสวัสดิ์เรือตรีน้อมกับอีกคนหนึ่งเป็นเรือเอกที่หลวงประธานองวิจัยคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินึก่โตกว่ันแกอยุป่ากัไปเกือบจะสามสิบแล้วแต่ว่าแกชอบมายุ่งกับฉันมีสายข้างเคีนงกันจะให้เรียบร้อเพื่อน ที่คนนี้เป็นคนแข่งแก้วทำอะไรไม่เคยเหมือนเชื่อบ้านให้ผู้บังคับบัญชาจั่งานยังไงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจะมากลับคำไม่ได้ถ้าจะาพูดโยเยโปเป้แล้วกว็เดี๋ยวมีเรื่องไปท้าเจ้านายยิงกันจะไหลหงอไม่มีใครเขายิงด้วยเขาเห็นว่าบาบาบอ ไพ่อถือว่าคนนี้สั่งมาแล้วคนนั้นมาสั่งกลับอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวพ่ อ, อยังเยี่ยงถ้าสั่งเรื่องวาจาแล้วไม่ยอมรับนักถืโตัวในกลมแพทคนนั้นเรือเวลานังกลมอื่นก็จะมียังไงไม่สัตต์ตกใบคําสั่งทุกใบนะก็กินตัวแดงๆโอ้โหกระดาษเพาห้ า, หามรับคําสั่งด้วยวายจาตัวข้าันชาจะสั่งอะไรต้องสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีในตอนนี้จะมีผู้บังคับบัญชาบางองค์แกก็เบ่งเบ่งบางคนก็โทษบางคนก็จะมีสายเบ่งเบ่งพอคนท่านผู้บังคับบัญชาท่านผู้น้อยเป็นหัวหน้าแผนสั่งมาอย่างเจถือ ว, ว่าเป็นหัวหน้ากองเป็นหัวหน้ากรมแกก็จะมาสั่งกลับแต่ว่าสั่งยวายาพวกเราไม่ยอมปฏิบัติตามก็มาเอะอะยวายแล้วก็เอาอหัวกดากดูว่านี่กฎของฐานเรือเป็นอย่างนี้ ในการสั่งอย่างนี้ไอ้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ปฏิบัติตามระเบียบวนยอย่างนี้มันต้องยิงกระ บ, บาลกันถ้าูดแล้วก็ชักปืนเพราะนั้นว่าฝ่ายนั้นต้องถอยไปทำไมถอยแตขึ้ น, นที่ชักก็น่ากลัวแต่กวามจริงที่เขาถอยนะคิดว่า เ, าเขาไม่กลัวฉันหรอกเขาคงจะกลัวโกมกำแ พ, พงเพชรเพราะว่าท่านเป็นเนาบดีทหา ร, รีันเป็นลูกจอกของท่าน ถ้าเมื่อเรื่าทั้งหลายน้ถูกฟ้องไปถึงเสนาบดีมาตสวนตามความเป็นจริงฉันให้การตามความเป็นจริงและผู้องันให้ตามความเป็นจริงท่านก็เห็นด้วยส่วนใหญ่นายทหารันผู้ใหญ่ต้องถูกลงโทษเพราม่ปฏิบัติตามระเบียบในในความจรความเป็นผู้มีระเบียบที่ไหเครื่องคัดแต่มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไปถูกเจ้านายโรเล่ก็มันก็ยงโยงอย่างนี้แหละอันนี้จลต่อไปที่เพียดีจะ เมื่อนายทหารทั้นสัญญาบัตรเข้าไปไประชุมร้อมกันหลวงพว่อปานาท่านก็ให้โอวาทเพื่อท่านกระก่ากำแพงเพื่อทอานาธนาท่านคอยท่านเ ท, ท่ดีเท่ก่อนท่านจะพูดธรรมดาหน้าตาก็ท่านยินแย้นแจ่มใสสดชืนเทียงไฟรอ้อ